อัลกอซอร์อาจจะกล่าวได้ว่าในบททั้ง 3 นี้การดําเนินเรื่องเป็นไปในทางเดียวกันบทนี้ได้กล่าวถึงคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นปฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่ของมุฮัมมัดและเป็นหลักฐานที่สมบูรณ์จนกระทั่งวันกิยามะฮ์และยังแจ้งให้ทราบว่าได้ถูกประทานลงมาจากพระผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงรอบรู้บทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องราวของบรรดานบีบางท่านโดยสรุป ละบางท่านโดยละเอียดกล่าวโดยย่อถึงประวัติของนบีมูซานบีซาเลห์และนบีรูสและได้กล่าวถึงกลุ่มชนของบรรดานบีดังกล่าวว่าได้รับการลงโทษเนื่องจากพวกเขาผินหลังให้กับการเรียกร้องเชิญชวนของอัลเลาะห์และพวกเขาปฏิเสธต่อบรรดารอซูลผู้ทรงเกียรติทั้งหลายบทนี้กล่าวอย่างละเอียดถึงเรื่องนบีดาวูดและบุตรชายของเขาคือนบีสุไลมาน และกล่าวโดยเฉพาะถึงความโปรดปรานของพระองค์ที่ทรงประทานการเป็นนบีและอำนาจอันกว้างใหญ่ไผศาลและได้กล่าวถึงเรื่องของนบีสุไลมานกับบูรเกสพระราชินีแห่งเมืองซาบะห์ท่านนบีสุไลมานได้เอาอำนาจเป็นสื่อในการเรียกร้องไปสู่อัลเลาะห์ท่านจะไม่ปล่อยให้นักปกครองที่กดขี่ข่มเหงหรือกษัตริย์ผู้ปฏิเสธศรัทธาเว้นแต่จะเรียกร้องไปสู่การศรัทธาต่ออัลเลาะห์ดังเช่นเรื่องของท่านกับพระราชินีบูรเกส องค์กระทั่งเมื่อพระนางทรงเลิกการเคารพบูชารูปปั้นและจเวตและเสด็จไปพร้อมกับเหล่าทหารของพระองค์ยอมจำนนและตอบรับการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่พระผู้เป็นเจ้าบทนี้ได้กล่าวถึงหลักฐานและข้อพิสูจน์ถึงการนี้อัลเลาะห์และการเป็นเอกภาพของพระองค์ซึ่งเห็นได้จากสิ่งที่ถูกบังเกิดมาทั้งหลายและความแนบเนียนในการสร้างของพระองค์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 6 คือมดเพราะอัลเลาะห์ทรงกล่าวถึงเรื่องมดซึ่งได้สั่งสอนและกล่าวเตือนพรรคพวกของมันและมันก็ได้แก้ตัวให้ซุไลมานและกองทัพของเขาท่านนบีซุไลมานเข้าใจรู้ภาษาของมดจึงได้ยิ้มเมื่อได้ยินคําพูดของมันและขอบคุณต่ออัลเลาะห์ที่ได้ประทานความโปรดปรานและความดีต่างๆให้แก่เขาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามขออัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอตอซีนซิลกะอายาตุลกุรอานวะกิตาบินมุบีนตอซีนเหล่านี้คือบรรดาองค์การของอัลกุรอานเป็นคําพิที่ชัดแจ้งฮูดาวะบุชรอลิลมุอ์มินีน เป็นทางนําที่ถูกต้องและข่าวดีสําหรับผู้ศรัทธาอัลลซีนะยูกีมูนัสศอลาตวะยูตูนัสซะกาตวะฮุมบิลอาคิเราะติฮุมยูกีนูนบรรดาผู้ปฏิบัติละหมาดและบริจาคซะกาตและต่อวันปรโลกพวกเขาเชื่อมั่น ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمون تاจึงบรรดาผู้ไม่ศรัทธาตวันปรโลกนั้น เราได้ทำให้การงานของพวกเขาสวยงามแก่พวกเขาดังนั้นพวกเขาจะระเหเรร่อนไปเรื่อยๆ العذاب وهم في الاخره هم الاخرون ذولنั้น พวกเขาจะได้รับการลงโทษอันชั่วช้าและในวันปรโลกพวกเขาเป็นผู้ขาดทุนยิ่ง وان انك لتلقى القران من لدن حكيم عليم และแท้จริงเจ้าจะได้รับอัลกุรอานอย่างแน่นอน جاءพระผู้ทรงปริชายานผู้ทรงรอบรู้ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَذَارًا إِنِّي آنَسْتُ نَذَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَادُونَ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 ได้มีเสียงเรียกขึ้นว่าผู้ที่อยู่ในไฟและผู้ที่อยู่รอบๆมันจะได้รับความจําเริญและมหาบริสุขแด่อัลเลาะห์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกยามูซาอินนฮูอานัลลอฮุลอะซีซุลฮะกีมโอ้มูซาเอ๋ยแท้จริงข้าคืออัลเลาะห์ผู้ทรงเดชานุภาพ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 และจงโยนไม้เท้าของเจ้าเมื่อเขาเห็นมันเคลื่อนไหวคล้ายกับว่ามันเป็นงูเค้าก็กลับหลังหันแล้วก็ไม่ให้หันกลับมาอีกโอ้มูซาเอ๋ยเจ้าอย่ากลัวแท้จริงบรรดาศาสนทูตจะไม่กลัวเมื่ออยู่ต่อหน้าข้าอิลามันฎอลามะซุมมับดัลฮุสนาบะอ์ดะซู <ISTukti> فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ when taa a tham lae khao dai plian ma tham khwam di lang chak thi dai tham khwam chua phro tae jing kha nan pen phu song aphai phu song metta samoe wa ajkhil yadaka fi jaybika tukhruj bayda min ghayr su بِتِسْعَ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ لا تُمْسِكْ صَارِ الْمُؤْخَذَ خَائِفًا مِنْهُمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ نِيقُهُ 2 فِي 9 سَنَادِقَ الَّتِي سَتَأْخُذُهَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَأَصْحَابِهِ แท้จริงเขาเป็นกลุ่มชนที่ชั่วดังนั้นมา جاءت هم اياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين เมื่อสัญญาณของเราได้ปรากฏชัดแจ้งแก่พวกเขาพวกเขากล่าวว่านี่คือเวทมนต์คาถาอันแจปแจ้ง وجحدوا بها واستيقنتها انظر <fansur> كيف <cayfakana> كان <araqibatul> عاقبه <mufsidin> المفسدين لقد راو ได้ปฏิเสธมันทั้งๆที่จิตใจของพวกเขาเชื่อมั่นมันดังนั้นเจ้าจงดูเถิดว่าบ้านปลายของบรรดาคนชั่วนั้นจะเป็นเช่นไร ولا <fansur> قد <fansur> اتينا <fansur> داوود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي تفضلنا على كثير من عباده المؤمنين และโดยแน่นอนเราได้ประทานความรู้ให้แก่ดาวูดและสุไลมานและเขาทั้งสองกล่าวว่าบรรดาการสรรเสริญเป็นของอัลเลาะห์ผู้ทรงโปรดปรานแก่เราเหนือปวงบ่าวของพระองค์ส่วนมากที่เป็นผู้ศรัทธาทั้งหลายวะวะรีษะสุไลมานดาอูดวะกาลยาอัยยูฮันนาสอัลลิมนามันติกัตตอยรวะอูตีนนามินกุลลิชัย إن هذا له الفضل المبين لسليمان بن تاياد ของดาวูดและเขากล่าวว่าโอ้มนุษย์ทั้งหลายเราได้รับความรู้ภาษาของนกและเราได้รับทุกๆสิ่งแท้จริงนี่คือความโปรดปานอันชัดเจนยิ่ง وحشرني سليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون لَأَطْرَافُهُمْ الَّتِي هِيَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَقَدْ جُعِلُوا لِيَجْتَمِعُوا أَمَامَ سُلَيْمَانَ وَقَدْ جُعِلُوا عَلَى نِظَامٍ املوا دخول مساكنكم لا يحطمنكم سليمان لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون จงกระทำเมื่อพวกเขาได้มาถึงที่ทุ่งที่มีมดมากมดตัวหนึ่งได้พูดว่าโอ้พวกมดเอ๋ยพวกเจ้าจงเข้าไปในรังของพวกเจ้าเถิด เพื่อว่าสุไลมานและไพร่พลของเขาจะได้ไม่บดขยี้พวกเจ้าโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว و ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين قال سليمان ييم ك้ํา วรอต่อคําพูดของมันและกล่าวว่าโอ้พระผู้อิวานของฉันขอพระองค์ทรงโปรดประทานแก่ฉันเพื่อที่ฉันจะขอบคุณต่อความโปรด และทรงให้ฉันเข้าอยู่ในความเมตตาของพระองค์ท่านในหมู่ปวงบ่าวของพระองค์ท่านที่ดีดีทั้งหลายวะจะฟักดัตตัยระฟะกาลมาลีลาอะรอลฮุดฮุดอัมกานะมินอัลกออิบีนและเค้าสุไลมานได้ตรวจดูฝูงนกแล้วกล่าวขึ้นว่าทําไมฉันจึงไม่เห็นนกหัวขวานหรือว่ามันหายไปไหน لا اعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا ياتيني بسلطان مبين แน่นอนฉันจะลงโทษมันด้วยการลงโทษอย่างสาหัสหรือฉันจะฆ่ามันดีหรือมันนําหลักฐานที่ชัดแจ้งมาให้ฉัน ثم كفى غير بعيد فقال احط بما لم تحط به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 ฉันได้พบหญิงคนหนึ่งปกครองพวกเขาและนางมีทุกสิ่งที่นางมีบัลลังก์อันระโหฐานวะจัดตุฮาวะกอมะฮายัสจุดูนลิชชัมซิมินดูนิลลาฮวะซัยยะนะละฮุมุชชัยฏอนอะอ์มาละฮุมฟะศัดดะฮุมอะนิลซะบีลฟะศัดดะฮุมอะนิลซะบีลฟะฮุมลายะฮตะดูนฉันได้พบนางและกลุ่มชนของนาง สักการะบูชาดวงอาทิตย์โดยไม่กราบไหว้อัลเลาะห์และชัยฏอนได้ทําให้การงานของพวกเขาเป็นของดีงามแก่พวกเขาและได้กีดกันพวกเขาออกจากแนวทางที่ถูกต้องดังนั้นพวกเขาจึงไม่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องอัลลอยัสจุดุลลอฮิลลซียุคริจุลคอบาฟิสสมาวาติวัลอฎและยะอ์ลามูมาตัคฟูนวะมาตุนลูน ทำไมพวกเขาไม่กราบไหว้อัลเลาะห์ผู้นําออกมาซึ่งสิ่งเร้นลับในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้าปิดบังและสิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผยอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลอฮุวะร็อบบุลอัรชิลอะซีมอัลเลาะห์นั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์พระผู้อภิบาลแห่งบัลลังก์อันยิ่งใหญ่ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين قال <Nabir> نبي <สุลัยมาน> سليمان กล่าวว่าเราจะคอยดูว่าเจ้าพูดจริงหรือเจ้าอยู่ในหมู่ผู้พูดเท็จ اذهب <Nabir> بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون เจ้าจงนำศาลของฉันนี่แหละส่งมันไปให้พวกเขา <Nabir> แล้วถอยออกห่างจากพวกเขาดังนั้นเจ้าจงคอยดูว่าพวกเขาจะตอบกลับมาอย่างไรอัลอตียาอัยยะลมะละฮูอินนีอุลกิยาอิลัยกิตาบุนกะรีมพระราชินีทรงกล่าวว่าโอ้หมู่บริพาลทั้งหลายแท้จริงศาลอันมีเกียรติถูกนํามาให้ฉัน انَهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ แท้จริงมันมาจากสุไลมานและแท้จริงมันเริ่มว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ อัลลَا تَأْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ พวกท่านอย่าเย่อหยิ่งต่อฉันและจงมาหาฉันอย่างนอบน้อม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 قالوا نحن اولو قوه والو باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين هو เค้ากล่าวว่าเราเป็นพวกที่มีพลังและเป็นพวกที่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 และฉันนั่นแหละพวกเขากระทำกันวะอินนีมุซลิละตุอิลัยฮิม биฮะดีอะติน ฟะนาซิเราะบิมายัรญิอุลมุรซะลูนละฉันจะส่งของกำนันไปให้พวกเขาแล้วฉันจะเฝ้าคอยดูว่าผู้ที่ถูกส่งไปนั้นจะกลับมาอย่างไรละมมาญมากาสุไลมานกาลอะตุมิดดูนนีบิมา قال اتمدونني بمال فما اتى لي الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون เมื่อพวกเขาได้เข้าพบซุลัยมานแล้วเขาซุลัยมานกล่าวว่าพวกท่านจะนําทรัพย์สินมากําหนันแก่เรากระนั้นหรือสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงประทานให้แก่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 เพราะแน่นอนเราจะนำไพร่พลไปยังพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่มีกำลังที่จะต่อต้านมันได้และแน่นอนเราจะให้พวกเขาออกจากที่นั่นอย่างอัปยศและพวกเขาจะเป็นผู้ต่ำต้อยออไลยัยฮัลมะลาอ์อันยุมยาตีนีบิอัรชิฮากะบละอันยาตูนีมุสลิมีนเค้าสุไลมานกล่าวว่าโอ้หมู่บริพาลทั้งหลายเอ๋ย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 ฉันจะนํามาเสนอท่านก่อนที่ท่านจะลุกจากที่นั่งของท่านและแท้จริงฉันเป็นผู้มีพลังและไว้วางใจในเรื่องนี้อัลลัซซีอันดะฮูอิลมุนมินัลกิตาบิอะนาอะตีกะบิฮิกับลาอันยับตะดอะลัยกะตัรฟะ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 ฉันจะนํามาเสนอท่านพริบตาเดียวเมื่อเค้าสุไลมานเห็นมันวางมั่นคงอยู่ต่อหน้าเค้าเค้ากล่าวว่านี่เรื่องมาจากความโปรดปานของพระผู้อภิบาลของฉันเพื่อพระองค์จะได้ทรงทดสอบฉันว่าฉันกตัญญูหรือเนรคุณและผู้ใดกตัญญูแท้จริงเค้าก็กตัญญูต่อตัวของเค้าเองและผู้ใดเนรคุณแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันนั้นทรงมั่งคั่ง ਪੂ ਸੰਗ